ข้อที่สี่สิบแปดครับสูรรูปใจถินไปเพื่อดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกแล้วเล่นไว้แต่มีเหตุที่เหมาะสมต้องอาบัดตาจิตติพิสูรไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกแล้วนะถ้ายังไม่เคลื่อนนี่ไม่เป็นหรอเอาก <c oughs> องทัพที่เคลื่อนออกแล้วขึ้นขบวนออกไปจาหมู่บ้านครับจะไปยางตรานจะไปลบนะ ครับไปเพื่อจะดูกองทัพอย่ง น, นะครับกองทัพผู้ดูเซนานะกองทัพสมัยก่อนอกองทัพมีองค์สี่ด้วยนะครับกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้านะถ้าบอกว่ามา้าหนึ่งเชือกะช้างหนึ่งเชือกนะาจะมีพนทหารยี่สิบสองคนคนขี่บนหลังช้างสี่คนนะครับแล้วคนรักษาเท้าช้างเท้าละสองคน ใชก็เป็นแปดใช่ไหมครับเท้าสองข้างเป็นแปดข้างบนสี่ก็เป็นสิบสองครับเนี่ยนะสมัยก่อนนะช้างก็มีคน ร, รักษาเท้าช้างนะเดี๋ยวข่าศึกมาโจมตีเท้าช้างเนะท้าช้างนะครับช้างลมอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับช้างหนึ่งเชือกนะมีฐานสองหนาแล้วก็ม้าหนึ่งเชือกก็มีทหารอยู่สามนาย คนขับคนขับหนึ่งคนะคนรักษาค้าก็สองคนแล้วก็รถหนึ่งคันก็เหมือนกันนะก็มีทหารอยู่สามนายสูงเลยสูงแล้วคนขับหนึ่งคนเหมือนกันแล้วก็คนที่รักษาเพลาก็รักษาเพลาเหมือนกันนะมีค่าตึกโจงตีเพลาใช้เพลาขังเนี่ยต้องพูดผิดนะสี่คนเลย หานประจำสี่คนนะครับนะแล้วหนึ่งคันมีฐานประจำสี่คนนะครับต้องมีคนขับหนึ่งคนใช่มคนที่สู้รอบหนึ่งคนแล้วคน ร, วรักษาควาอีกสองนะครับแล้วก็อะไรคนเดินทางนะครับพลหลังนะครับทหารที่มีอาวุธครอบมือสี่คนนะอันนี้มะครับชื่อว่าพลหลังนะครับต้องเป็นเสนานะกองถํายองสี่อย่างนี้นะครับ อย่างน้อยก็คือเนี่ยนะครับนะอยเนี่ยนะถ้ำสีสมัยก่อนเป็นกองนะเยอะเลยช้างหลายเชือกหมาหมาหลายเชือกใช่ไหมอันนี้นครับไปเพือ่อจะดูกองทําอย่างนี้แหละถ้าสมัยนี้มันจะเหลือแค่กี่กองทัพช้างทัห ม, มาเามาช่ไหมทํารดก็มีแล้วถังใช่ไนะครับสมัยนี้ก็เปลี่ยนไป็นนี้นะรถจี๊บนะวันี้นี่ครับ คนด้านางจะมีสองกองนะครับแต่มันก็ถ้าถือแค่สองกองก็ไม่เข้าไปอีกตีนะถ้าเอาเสนามีองค์สีด้วยนะครับถึงจะไปอีกตีนะดังนั้นที่เขาขึ้นขบวนออกไปแล้วนะครับภาพไปเพื่อจะดูเว้นแม้แต่มีเหตุที่สงควรนะครับอาจจะมีย่างหิในกองทัพแล้วก็เกิดป่วยอยนี้เราก็ไปดูเ้าได้านะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุจาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปดูก็ต้องแบบปราจิตี ทุนหนึ่งไปก็จะดูแต่ถ้าเปิดทีวีดูทีวีดูไปเลยไม่ได้ไปไหนนี่ครับไม่ได้ไปไหนดีเราม่ไดจฉกันนะครับขอมมาดูนี่นะต้นกำลับใหญ่ต้องต้นกังในี้มาจายเี่องข้อเสียข้อดีเรื่องของวัสดุห่เรื่องเสียดีเสมัยนะ พระปะ่าไเจ้าประทําอยู่นับพระเชตวันอารางของนาฏบิดิกาข้ามบดีเขตพระนครนองสามภพีครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กศนทรงยกกองทัพออกนะครับเพื่อจะไปประจันบานนั่นก็ข้าเสร็จนะครับพระจักรีได้ไปดูกองทัพที่ยกออกแล้วอยากจะดูโหตื่นเต้นนะเมียคือ น, นะพวกนี้นไปการไปดูกองทัพมันเคยมาตัดที่เป็นโลผ้ก็ได้เป็นโทสักก็ได้นะ จมาฮเหวีแบบาใช่ไหมยากให้เขาไปป่าอะไรพวกโจต่างๆ อ, องะไราห้ล่าาเลยชห่หรือว่าเป็นโละก็ได้จะดูางนี้นะครับอันนี้ก็ไปดูนะพระเจ้าเสด็จโกศนได้ทอดพระเนตรเห็นพระจักรีกาลังเดินมาแต่ไกลเที่ยวทั้งแรรับสั่งให้มิมนมา ถ, าถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายมาเพื่อประสงค์อะไรเจ้าข้าพระจักรีถวายข้อความว่ า, วา ข้อสมาภาพประสงค์จะเฝ้ามหาโมทิตพระเจ้าเกษตรที่โผล่รอบสั่งว่าจะได้ประโยชน์ อ, อะไรด้วยการดูโยผู้เพิ่เพิ่ในการรบพระคุณเจ้าควรเฝ้องอุบาสเจ้าไม่ใช่หรือนี่นะรับใช่ไหมเป็นธาตที่ถือว่าควเาารเฝ้าเพื่เจ้านะครับจะมาดูพระราชารบกรณีได้ประนอะไรประชาชนก็คือคนอาหารที่อยู่ในกองทัพนะก็พากันเพ่งเข้าเตรียมปรินาว่า ฉนนก็จะมาหน้าเชี่ยสายเป็นสัตยาบุตรจึงได้พาจะมาดูกองทัพซึ่งยกออกแล้วเล่าไม่ใช่รากของพวกเราแม้พวกเราที่พาจะมานกองทัพเพราเหตุเห็นอาชีพเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาก็ได้มีดีแล้วนะครับเขาไม่เชื่อมันอยากจะมาอย่างนี้หรอนะเพราะเหตุแห่งอาชีพเพราะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงม่เงียะใช่ไหมเพราะจำเป็นต้องมาเขาเป็นเพ่งเข้าเรื่องไปถึงพิจิตรทั้งหายนะ นิมบนาที่สุสด่มมากน้อยสุดโดดตังเข้เพ่งตัดดิเห็นพัฒนาว่าฉะนี้นก็จะว่ดขีจริงได้ไปดูกองภาพที่ยกออกไป้เล่าแล้วกรามลุ่มลุ่นและหนึ่งลุ่มท่าเจ้าผู้ดวงทรงสอบถามทรงติเรียนศัพท์ภาษาแล้วก็มายัดถามนี้ขึ้นมาภพาพเมียข้างแรกนนหนึ่งที่สู่ใดไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแล้วเป็นไปดี ก็สมัยต่อมาเนะี่ยก็มีเรื่องของพิสุรูปหนึ่งก็ในสมัยนั่นแหลลุงของพิสุรูปหนึ่งป่วยในกองทัพเนี่ยลุงคนนั้นป่วยเรา mm hmm. เขาส่งพูดไปในสำนักพิสุนะั้นว่าลุงกําลังป่วยอยู่ในกองทัพขอพระคุณเจ้าจงมาลุงต้องการให้พระคุณเจ้ามาเนาะคนที่คุ้นเคยกันนะก็เลยต้องการให้ไปดูไข่เขานครับจึงพิสุนะั้นดำรีว่ า, าพระพากย์เจ้า บอกแกพิสุทงหลายไว้ว่าพิสุไม่พึงไปเพื่อจะดูเสนาอัญยกออกแล้วก็นี่ลุงของเราปัวยอยู่ในกองทัพเราจะพึ่งปฏิบัติอย่างไรเนอะแล้วแจ้งความนั้นแกพิสุทงหลายพิสุทงหลายกราบดูนเนื้อความแบบมัผ่านเจ้พเาพระดวงก็สอนอยากนครับว่ า, ม า, มาดูก่อนพิสุทงหลายเราไม่ยากให้ไปในกองทัพได้ เพราะจาใจหป่านั้นนะอม่เช่มีห่้าปูและเขานีมนมาเป็นต้นของเขาและพระองค์ก็ทรงอนุบัญญัติเป็นคำเป็นเต็มมา น, นี่นะท่านพูดถึงนะเ้นางกองทัพในที่นี้กองทัพมีองค์สี่ทช้างทัพม้าทัพรถแลวก็กองคนเดินท้านะครับมเจอที่บ้านที่นี้ฟังนตรงนี้กางค่ายไม่พูดนะครับถ <c oughs> ้าบอกว่า ช้าหนึ่งเชือกนะครับมีทหารประจําอยู่สิบสองนายอย่างนี้คือคนขับขินสี่คนนะคนต้องมีคนขับค น, บนคร้อด้วยนัะคนรักษาประจําเท้าช้าเท้าสองคนก็เป็นสองคเดยม้าหนึ่งตัวมีนะครับทหารประจําอยู่สามคนอย่างนี้คือคนขับขี่หนึ่งคนนะครับคนรักษาประจําเท้าสองคนนะครับ แล้วก็รถหนึ่งคันนะมีทหารอยู่สี่นายทหารประจำสี่นายคือสารีพลขับหนึ่งคนนักรบก็นายทหารอีกหนึ่งคนพลรั่าสาฝังพ ล, ลายู่สองค น, นงแล้วก็อะไรเนะี่ยทหารที่มีอาวุธในมือมีเขาสี่นายพลเดินเท้ามีพลอย่างนี้คือทหารที่อาวุธครบมือสี่นาย กองทัพประกอบด้วยองคสี่นี้โดยกําหนดอย่างต่ำชื่อว่าเสนะนะครับนี้นะทีนี้กลับมาดูคำอธิบายในกลางค้านะครับหน้าสองร้อยสิบห้าข้อที่ปอธิบายอุยุต่เสนาสิาบสามบทคือสร้างที่นี่ใช้ในสิบสามที่แปดต่อไปบทว่าอุยุตา่างที่แปลว่ายกออกไปแล้วนะได้แก่ยกกองทัพออกไปแล้วคือยกออกจากหมือบ้าง ชื่อว่าเสนาได้แก่กองทัพที่ประกอบวิองสี่ก็คือกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองพนเดินท้าคําว่าอายตตระสถานู ป, ปักปัจยาใชหเว้นไว้แสนมีเหตที่สมควรนะครับความว่าเมื่อไม่มีความจําเป็นพิสูจเดินไปเพื่อจะดูกองทัพอย่างเดียวต้องมาทุกกดทุกข้าทุกข้านะยืน ในทัศนูปรจรละนะครับต้องบัดปาจิตรีชื่อว่าทัศนูปรจรละคือถานที่พิสุจนยืนอยู่แล้วสามารถจะมองเห็นได้ตอนแรกที่เดินไปก็เป็นทุกข์ุทุกเก้านะพอไปถึงที่ที่สามารถจะมองเห็นได้แล้วนะครับอันนั้นก็ต้องบมดปลิตรีก็เมื่อพิสูนเล่า อ, อุปจารละนนั้นนะก็หันกลับมาแล้วนะครับแต่หันกลับไปดูอีกบ่อยๆน ะ, ะต้องบปาจิตรี ทุกครั้งที่เดี๋ยวแลดูนะที่กลับไปดูก็ต้องเหตุเกิดและประเภทอาบัต น, นะครับอ้อนี้จบเหลือแค่ไหมนะสิกขาบท น, นี้พุทธมภาพเจ้าทรงปาลบิณฑูชพระคีหนมืสามพระทีบรญยายนี้แล้วต้วองเหตุคือการไปดูกองทัพคํคควาว่าไอกรารภัณฑ์ปัจญญาจัดไป็นอนุบัญญัติในสิกขาบท น, นี้นะครับสิกขาบท น, นี้เป็นสาระหน้าบรรยายนะ ที่สูนี้ก็มีมือกันอันนั้นติการไม่เกี่ยวการใช้นะใครไปดูเองก็ต้องอ่านบทเองนะติการปาจิตีนะครับก็คือกองท้ำยกออกไปแล้วเข้าใจสงสัยสำคัญผิดออกไปดูก็ต้องอา่านบททนั้นนะครับที่สูนเดินไปเพื่อจะดูช้างเป็นต้นไม่ใช่ดูแค่ช้างนะมาดูกองท้ำแต่ละกองนะครับดีพอ <c oughs> ดีเ <c oughs> ดียวสา มาถึงดูกองทัพแต่ละกองไม่ไม่ไมครอบเสนาสี่เหล่านะครับมาได้แค่กองเดียวนะผลช้างผลม้าผลรถผลเดินเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแค่แต่ละอย่างถ้าไปดูแต่ละอย่างอานบัติจำเปาลงเลยให้ทุกกฎ น, นะครับถ้าก็องค์สีเป็นไปอีกทีนะแต่ละอย่างต้องบัติทุกกฎด้วยในดังกะนะครัทั้งที่ไปก็ต้องดูกดพอเห็นก็ต้องทุกกฎ น, นะครับเช่นเดียวกันกองทัพยังไม่ได้ยกออกไปเลยนะครับ ความคนว่ายก อ, อกไปแล้วหรือมีความสงสัยอันนี้ต้องปฏิบัติกฎนะครับท่านก็อธิบายว่ากองทัพไม่ได้ยกออกไปหรือมาเขาเป็นงไงก็คือนะครับ อ, อพระราชาชื่อว่าไม่ได้เสียยางตนาทับเสยไปประพาสพระญญาราจุทยาดีแม่น้ำอย่างนี้ชื่อว่าไม่ได้ทรงยาธนาทับนะครับเขาไม่ได้ออกไปรอบมีขมวนแห่พระราชาไปใช่ไหม ไปขบวนเสด็จเฉยๆไปพุทธยากุไปแม่น้ำก็ดีครับอันนี้ชื่อว่าไม่ได้ยกออกไปนะครับอันนี้ไม่เป็นนะแต่เข้าใจว่าเขายกออกไปเพื่อจะลบหน้าแล้วก็ไปเนะ่หรือสงสัยนะครับว่าเขาจะออกไปลบแล้วก็ไปดูว่ายังต้องอาบัติทุกคนนะครับดูขบวนเสด็จเป็ น, น, นี้มีคนอะไรบ้างขบวนเสด็จเน่ยมีคนอะไรไม่เห็นคนเล่นมีแต่รถใชครับขอบคนรถ ก็มคนรถคนอะไรอยู mind, ่ในรถหมดเลยใช่ไหมพดของทหารใช่ไหมครับอยู่ในรถบุบเลยนะอันนั้นเขามมนออกเป็นรถเหนคนไดก็ไม่ข้าวนี่นะถ้าเป็นดูช้างอิงเน่ดูช้างอิ่งเฉยนี่ก็จะมมันต้องเป็นแต่ละกองนะนือครับช้างหนึ่งเชือกที่มีทหารประจำอยุ่สองนายนะครับกองทัพช้างนี่นะครับถึงจะนั่นนะจะดูกาลเล่นไมได้ ดูช้างเล่ <c oughs> ที น, นถ้าเขามีแสดงใช่ไหมเกิดแสดงอะไรขึ้นมาทีน่ะอ๊ยประกาศ น, น, นะา น, นาี่นั่นแหละนะเสียงผ้าอนี้น่าดูนะครับอะไรต่ออาณาบันรนะที่สุดไม่ต้องอาาบันเมื่อกองทัพยังไม่ออกไปสําคัญว่ายังไม่ได้ออกไปไม่ใช่กองทัพนะที่เขายกออกไปแหรอกนะเป็นขบวนเสด็จเฉยๆไปที่ไหนไปถ้าตําหนักเขาเต่างนี้ไม่เป <c oughs> ็นไรไม่ใช่กองทัพยกออกไปอย่างนั้ น, นะครับ อยู่ในวัดมองดูกองทัพที่เดินผ่านความจริง น, นะอยู่ในวัดมองเห็นนะครับอันนี้ของอันนี้ก็ไปรวมนะปีสูตอยู่ในอารามมองเห็นอันนี้ก็ไม่ต้องมาบอกเะครัอยู่ในวัดมองเห็นเข้านะอันนี้ต้องแยกกันนะกองทัพ ย, ยกผ่านมายังสถานที่ปิสูตยืนนั่งเนอะหรือนอนเธอมองเห็นนะครับถ้าอจะไม่ได้อยู่ในวัดก็ได้ถ้าอาจจะกำลังเดินไปตามถนนใช่ไหม พอดีกองข้ากยกมาแส่หวพอดีนะครับถ้ากองเข้าอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เข้าไปกันรวมไม่จริงต้องแยกนะครับได้เดินสวนทางนนะและเดินสวนทางมาถึงทพิสูจน์เดินสวนทางไปพบเข้าพ อ, พอดีก็ไม่เป็นไรเมื่อมีความจําเป็นถึงไปดูช่วงมีญาติป่วยข้อนิมนต์ให้ไปช่วยไปดูไข้นี่นะก็ได้นะมีอันตรายบางเกิดขึ้นอาจเจออันตรายแก่ชีวิตนะ เราตระโดดในกองถ้าถึงจะพ้นได้ น, น, นก็ไปได้เรับและที่สู่บ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัติเราท่าบอกว่าเมื่อมีอันตรายแห่งชีวิตและอันตรายแห่งโภมาจัยไม่เป็นอาบัติแก่ที่สุดผู้ไปได้คิดว่าเราไปในกองถ้านี้จะพ้นไปได้ไม่เป็นองคอามบัตินะสิครับวันนี้มีองค์ศีเหล่านี้คือหนึ่งที่สู่เดินไปเพื่อจะดู สองกองทัพที่เคลื่อนขบวนสามเรือนสถานที่ไม่ได้สองอนุาตไว้สีไม่มีเหตุจําเป็นหรืออันตรายเมื่อข้อโปร่งสี่ก็ต้องเบิกไปเรียนสึกษาบทนี้ครับสมุฐานเป็นต้นเหมือนกับเวลากาลุมาสศึกษาบทคืออะไรครับการแล้วก็กายเหตจิตนะครับต้องมีการนะ้าเดินไปหน้าดูนะครับแล้วก็มีจิตก็รู้ท่้งรู้ตั้งใจแนละ้วไป แต่สิกขาบุ น, นี้เป็นโลกล่าวว่าชา่างนะคมันไปได้อาคูสอย่างเดียวนะโลภ้าก็ได้โทกาสตก็ได้โมหะก็ได้นะฮะได้หมดนะครับโมหะเป็นอุศูสอนรับจิตอย่างเดียวมีเวทนาสามเลยเวทนาเป็นตัวระบุเลยไม่ใช่โลผ้าอย่างเดียวนะมันเป็นโสมนทมนั่นเบขาก็ได้แต่ไม่ได้จิตอาคูสอนหมดเลยนะจบการาที่บากยุตตาเซนาสิกขาบุตทีนี้กลับมาถ้าเรามาดูกองถ้าใน ทีวียังนไงโอ้ยมันไรนะเนี่ยประเทศนั้นกําลังเคลื่อนขพวนทหารนะครับไายหน้ารัตเซียนะครับกำลังเคลื่อนขบวนทหารไปโจมตีแคดเมียใครดูในผ้าอะไรไหมหรื อ, อ, อยังมีใช่ไหมเมื่อทีพวกที่อยู่ตามชายแดนก็ลำบากนะเขอแย่งอะไรดินแดงใช่ไหมไอ้ตรงแถบแคดเมียระหว่ะวายอินเดียกับรัตเซียใช่ไหมครับ คุนาอยู่ลำบากอะไรนะโดนโจมตีบ่อดเลยครับางนนาง น, นมีผ้าเอาในถังกำลังขึ้นขบวนนะขับรถถังไปโบเป็นแถวขอบปัญยาเลยนะครับก็เปิดทีวี <c oughs> มันอแไ้เนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่คนดูหรอกครับเนี่ยจัดช่อองได้หรือไม่าท้ก็ไม่ได้เจอมันก็เชดก็อยูอ่มีนักตี คงไม่ได <ını> <traps> <reunion> <so SC I noise> ้องนบไม่ได้องแต่ก็อ้าผมอยู่ในวันดูไม่ได้องนะแต่ก็ถ้าจะดูความมันเท่าเท่าไรนี่ก็ไม่อว่าไม่กรัวไหนบครับครับมันมีทั้งหน้าจอสู่จอเห็นแล้วก็มาช่วงหลังมีอย่างในรถสองตอนนี่จะมีข้วงหลัง่นอยู่ตรงไหนนะถ้าไม่ช่วงหน้าย่างๆี่อ ผมเคยดูว่าถ้ารถบางคันรถ V I P ครับเขาติดให้สี่จอเลยนะ น, น, นะครับเคยไปรถนครใช้แอน์ติดให้สี่จอเลยเปิดดูแต่ที่มันสามารถปิดจอได้แล้วก็เขาเปิดออกมาครับนั่นแหละมันก็รถตูต้นะแต่นี้เป็นรถถัวตัวให้ดูสี่จอคุณอยู่มุมไหนก็สบายเลยนะครับไม่ต้องแงะหน้ามองไกลแต่มันต้องแงะนะถ้าไม่แงะมันก็ไม่เห็นหรอกนะครับ นั่นไม่แงงก็ไม่เห็นหรอกมึงคงก็นั่งหัวทิมันก็ไม่เห็นนะนอกจาต้องแงงที่มานหน่อยจะเห็นนะครับมึงก็อไปโดนมองเกินชั่วแงงนะบ้านจะโดนเยอะนะเราก็จะไปแงงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูข้างหน้าธรรมดาครับเพ้อไม่เกินไครับผมไม่ต้องอแต่ถ้าตั้งใจการดูไม่น่าเลยวันนอยงนักัวเ้าเปิดหนังอยู่ับ ฟังได้เขาไม่มีอาบัตตั้งใจฟังทีนี้ผมก็เป็นนะโอ้ยเกิดกเิเลสเนี่จะฟังเป็นมาดูละครละครนักวิทยุสมัยก่อน่ะฟังละครวิทยุเนี่ยเป็นท่มีนะครับเมือนกล่าวโขนฝลั่งอะไรนะมันได้ยินแต่เสียงครับแข่งสู้กานอะไรกันนะมันก็เรื่องไม่ได้ทีแต่ที่บดีอารมณ์ับถ้าใครสมมติมจิตอยู่ในกรรมฐานได้ก็ น, นั้นนะ ก็สมบรณ์นะครับถ้ากรรมฐานแข็งแล้วนะแต่ว่าเราบามกันนะเสียงดังทํางทีมันแป็นที่บดีอ่างเรายั่วใจนะแต่อย่าไปดูว่าละกันอย่างน้อยท่านมันยังสนใจไม่ได้ก็อยางให้ร่วงมาเป็นอาบัติฟังก็ยังดีกว่าดูใช่ไหมก้มหน้าก้มตาอย่างนี้ลยยิ่งถ้าเป็นตลกเลยโอ้โหบางทีขำไปด้วยเลยไม่ได้ดูว่านาฟังนะครับขำไปด้วยเลยนะนางกหน้าอย่างนี เขเป็นะครับตลนะแ้วไม่ดูแบบคหน้าย่น้นตลจริงๆนะอย่าที่แทวิษาสายวิษาเขาจะชอบเปิดตลกนะครัแต่ถ้าสายเนี่ยที่เขาเปิดนั้นนะเปิดหนักเปิดแล้วก็อย่ไปดูก็แล้วกันนะเป็นเขาอ่านไม่ได้มีาจามมาท่านบอกอ้าก็เขาเปิดให้ดู่ยผมก็เห็นเนี่ยมันเห็นคนทีาไม่เหนียก็ไม่เห็นหรอกนะครับ บางคนอาจจะอ้างเลไรผมปั๊ม บ, บอก <c oughs> ถึงป่มันก็ต้องแงสักหน่อยแล้วนะถ้าคุยไม่แงก็ไม่ไม่น่ากับนะครับไม่แงกันลกนนะกันไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ต้งตลางเหมือนกันนะบางที้าแถาอีสานนยโย่ก็จะมองเขาเหลามาเรื่อยใน้านี่ดูรูปแบบผ้าหรือรปแบบผมเครโดนนครับผมเชียงใหม่ไปเชีเยงภูเยเนยเจอโย่เขาจะเห ล, เหลนะเลย่ะ ่าพจะดูรึเปล่าภาพจดูรึเปล่ามียมแถบีสางมีภาพเขาแข่งภาอะไรมีใช่ไหมสายปากสายอะไรที่ก็จะมองภาพเขาทานนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ดูหรอกนะโยมจะมองหรืมอมึงมองผ ม, ง ม, งมงไม่ดู อ, อยู่แล้วอครัยังไงก็ไม่ดูครับนก็ไม่ยากหรอกไม่ได้ฝืนคิดอะไรมากนะอาจจะภาพบุญมาจะสืนใจนี่ยเพราะเสร็จคุณอมากใช่ไหมแต่ถ้าเราบูท่ธหน่อยนี่ก็มีปัญหาเรื่องอะไร นี่นะ like, ับก็จบนะอยโยอุยุตักเซนสาขาหมดเลย